ถ้าปัญหาพุทธวัตรเนี่ยนะอภิสมยัตระกะอภิสมยัญตรายกะปัญหาแปลว่าปัญหาว่าด้วยเรื่องการกระทําสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการตรัสรู้ธรรมอภิสมัยแปลว่าการตรัสรูนะ้การกระทําที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนั่นเอง ในหน้า48พระเจ้ามิลินกลับเปลี่ยนถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้านาคเสนครหอัสคนใดคนหนึ่งในโลกนี้เป็นผู้ต้องประราชิก<ม>นะคือประราชิกของครือหัส<ม>เช่นผู้ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระาหารัรนทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อหรือว่าพวกที่เป็นคนเป็นบัน덕 เป็นคนสองเพศเป็นพวกสัตว์ราชฉานเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้อ่ะนะตอนหลังเขาเข้ามาบวชเนนะเรียกว่าสมัยต่อมาเครือข่ผู้นั้นได้บวชทั้งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเครือข่าผู้ถูกต้องปารารชิกหมายความว่าเช่นเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นมาเขาไม่รู้เลยว่าคนที่เขาฆ่าเนี่ยเป็นใครเขาก็ไม่คิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นต้นน่นะ ซึ่งเขาก็ไม่รู้ตัวทั้งใครคนอื่นก็ไม่ได้บอกเขาว่าท่านเนี่ยเป็นครืหัสผู้ต้องปรารชิกคือปกติเราจะได้ยินแต่ว่าพระภิกษุที่เป็นปรารชิกใช่ไหมภิกษุเป็นปรารชิก 4, สี่ภิกษุณีเป็นปรารชิกแปดเป็นต้นเราจะบอกว่าเอาภิกษุเป็นปรารชิกแต่ทีนี้ครือขัสทั้งหลายก็เป็นปรารชิกก็หมายถึงว่า พ่าแพ้นับตั้งแต่ว่าพวกปฏิสนธิโดยอหิตุกะปฏิสนธิหรือว่าเป็นบรรเดาะเป็นพวกกระเทยงไงนะหรือเป็นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระอรหันต์นะพฤหัสเหล่านี้เรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประราชิกแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาเป็นประราชิกเนะกี่ยฮะก็พฤหัสผู้นั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ตรัสรูธ้ธรรมนั้นนะ่ะเขาจะพึงมีการตรัสรูธ้ธรรมได้หรือไม่หนอ ตัวเขาเองเขาไม่รู้เลยว่าเขามีความผิดอยู่ในตัว น, นะปราชิกเนี่ยโดยศัพท์แล้วว่าผู้พ่ายแพ้ปราชัย น, นะผู้ที่มีความพ่ายแพ้เขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาเป็นคนแพ้แล้วอ่ะแล้วเขาก็มาบวชบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจอย่างจริงจังเลยนะต้องการที่จะทํากิจในอริยสัจต้องการจะเจริญอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาต้องการเจริญสมถวิปัสสนาต้องการรู้เห็นอริยสัจเขาขวนขวายอย่างเต็มที่เขาบรรลุได้ไหม เอาจิงเอาจังมากเลยเหมือนั้นเถอะพระนาเเษนต่อว่าขอถวายพระพรเขาจะมีการตรัสรู้ธรรมหาไม่ได้แปลว่าไม่ได้หรอยังไงก็ไม่ได้บรรลุธรรมพ ร, พระเจ้ามิลินก็ถามแต่ว่าเพราะเหตุไรหรือพระคุณเจ้าก็ตอบว่าเหตุเพื่อการตรัสรู้ธรรมนั้นใด เขาขาดเหตุนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการตรัสรู้ทำคือไม่มีเหตุตัวใดตัวหนึ่งที่จะทําให้เขาบรรลุได้เขาตัดเหตุนะนะตัดอุปนิสัยตัดปัดจจัยที่จะทําให้เขาตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพระเจ้ามิลินก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าก็พวกท่านกล่าวว่าเมื่อรู้อยู่ย่อมมีกุกุจัต ว่าเดือดร้อนรำคาญใจว่าความชั่วเราได้ทําไม้แล้วเนี่ยนะปกติคนที่รู้ตัวนะจึงจะเดือดร้อนใจในชะ่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยได้ไปทําความผิดทําความพลาดมาเมื่อมีกุ ก, กุจจะก็ต้องมีเครื่องขวางกัน้นมีนิวร์เมื่อมีความเดือดร้อนใจในตอนหลังก็ต้องไอความเดือดร้อนใจนะั่นแหละเป็นเครื่องกัน้นเมื่อจิตถูกขวางกัน้นก็ย่อมไม่มีการตรัสรู้ทำใช่ยอมรับใช่เมื่อมีนิวรนครัง้ง การกั้นแล้วเนี่ยมันจะบรรลุธรรมได้อย่างไรก็แต่ว่าสาหรับบุคคลผู้ไม่รู้อยู่ว่าตัวเองเนี่ยต้องประชิกก็จะไม่เกิดกุกุจะไม่ต้องเดือดร้อนใจอะไรไม่ต้องไปลำบากใจไม่ต้องไปกินแหนงแคลงใจตัวเองอะไรเลยเมื่อจิตสงบอยู่นี้เพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าไม่มีการตัดสรุ้ธรรมคือไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ ปัญหาข้อนี้ย่อมถึงแก่ท่านผู้หาใครเสมอเหมือนไม่ได้ขอท่านจงช่วยคิดเฉลยเถิดคือคือก็น่าคิดเอ๊ะทำไมเขาก็เอาจริงเอาจังอ่ะนะเขาก็เข้ามาบวชเขาก็เป็นจริงเป็นจังมีศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนทุกประการทำไมเขาบรรลุไม่ได้ ไอ้คำว่าบรรลุไม่ได้หมายว่าชาตินั้นบรรลุไม่ได้แต่ว่าชาติต่อต่อไปยังไงก็ได้บรรลุได้อยู่แล้วนะการสั่งสมบุญเนี่ยไม่เคยไร้ประโยชน์ไม่เคยไร้ผลแต่หมายความว่าชาตินี่ไม่ได้บรรลุนะชาติที่ชาติหน้าชาติที่สองที่สามเป็นต้นไปแล้วไม่ได้ห้ามอะไรแต่หมายถึงว่าในปัจจุบันชาตินี้ตราบชั่วอายุไขเนี่ยเขาบวชเข้ามาตั้งใจเอาจริงเอาจังเางขาบรรลุได้ไหมเราบอกไม่ได้หรอกไม่ได้เหตุผลอะไรมันน่าจะบอกว่า คนที่เดือดร้อนใจใช่ไหมมัวแต่เดือดร้อนใจลำบากใจว่าเราทำความชั่วไว้แล้วเราไม่น่าทำเลยเป็นคนที่วิปัสสันอยู่ตลอดเวลาถ้าวิปัิสานอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ได้บรรลุมรรคผลเออนี่น่าฝังขึ้นแต่นี้เขาไม่วิปฏิสานเลยเขาไม่รู้เลยเ ข, เขาจําไม่ได้เขาไม่เข้าใจไม่มีใครมาบอกมาสกิดมาอะไรเขาสักอย่างเขาทาจริงจังทาไมเขาบรรลุไม่ได้ อย่างสมมุติพระเจ้าชาตศัตรูออกบทยังไงพระเจ้าชาติศัตรูก็บรรลุไม่ได้อย่างนั้นเลยถึงถึงรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามก็ทําไมน่าจะบรรลุได้นะสมมุติถ้าเกิดไม่รู้นะพระนาเกษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรพืชที่มีประโยชน์หมายว่าพืชชั้นดีอย่างนั้นที่เขาฝังไว้ดีแล้วในท้องไร่ท้องนาที่ไถพรวนดีแล้ว อันทำให้เป็นดินเปียกนุ่มดีแล้วย่อมย่อม ง, งอกงามได้ใช่หรือไม่คะว่าพืชพันชั้นดีเพราะพันปลูกฝังไว้ในเนื้อนาชั้นดีเนี่ยงอกงามได้ใช่ไหมบอกได้พระคุณเจ้าขอถวายพระพรพืชอันเดียวกันนั้นนั่นแหละเพื่อ ง, งอกงามบนแผ่นหินแห่งภูเขาหินทึบหินตันได้หรือไม่ ไปปลูกบนอย่างสมัยใหม่ก็ปลูกบนราดยางได้ไหมอย่างนี้นะปลูกบนถนนราดยางเนี่ยมันจะเพาะขึ้นไหมหาไม่ได้พระคุณเจ้านี่นะหมายว่าพืชชั้นดีเนี่ยถ้าเพาะลงในนาดีมันก็ขึ้นไหไปเพาะบนหินเนี่ยจะไปงอกได้อย่างไรขอถวายพระพรเพราะเหตุไรบนดินเปียกนุ่มพืชนั้นนั่นแหละย่อมงอกงามได้เพราะเหตุไรทําไมเขาปลูกบนภูเขาหินทึบแท่งตันเนี่ยนะงอกงามไม่ได้เล่าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะ พระคุณเจ้าก็เพราะว่าภูเขาหินแท่งทึบตันเนี่ยไม่มีเหตุเพื่อให้พืชนั้นงอกงามพืชนั้นไม่งอกงามเพราะไม่มีเหตุไม่รู้จักว่าไอ้เมล็ดที่วางลงไปเนี่ยนะมันจะไปดูดซึมรสเอาอะไรน้ําก็เปื้อนไม่ได้น้ําก็ไม่เปียกชุ่มเมล็ดเมื่อน้ำไม่เปียกชุ่มเมล็ดเนี่ยนะเมล็ดมันก็ไม่มีการบานนะไม่มีการขยายตัวไม่มีสามารถที่จะออกปุ่มออกหน่อออกอะไรได้ทั้งนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะ อะไรก็มีแต่ขั้วนะถ้า ต, ตากแดดนานๆตากบนหินก็มีแต่ขั้วเท่านั้นแหละว่างั้นเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุที่ทําให้พืชงอกงามเลยอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคล น, นั้นจะพึงมีการตรัสรู้ทำได้ก็เพราะอาศัยเหตุแต่ว่าเขานี่ขาดเหตุนั้นไปเพราะไม่มีเหตุเขาจึงไม่มีการตรัสรู้ทำเพราะเหตุนี่ถูกกําจัดไปแล้ว่นะ เหตุที่จะทําให้บรรลุมรควนได้อันนั้นสำคัญก็ต้องไม่เป็นผู้พ่ายแพ้ปราชัยเช่นต้องไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่เป็นต้นนะแล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นพวกบรนดอพวกอุปโตพยันชนกพวกอเหตุกะปฏิสนธิพวกนี้แหละจึงจะบรรลุได้แต่ถ้าหากว่าเข้าในข่ายเป็นผู้พ่ายแพ้ปราชัยแล้วก็บรรลุไม่ได้ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าท่อนไม้ก้อนหินไม้ตะบองไม้คอน ย่อมถึงความตั้งอยู่ได้บนพื้นแผ่นดินขอถวายพระพรท่อนไม้ก้อนดินไม้ตะบองไม้ค้อนเหล่านั้นน่ะจะพึงถึงความตั้งอยู่ในกลางหาวได้หรือไม่นะครับเาเอ า, เอาท่อนหินเนี่ยให้มันลอยอยู่ในอากาศได้ไหมหาไม่ได้หรอกพระคุณเจ้ามีเหตุอะไรในเรื่องนี้เราที่ทำให้ท่อนไม้ก้อนดินไม้ตะบองไม้ค้อนเหล่านั้นนั่นแหละถึงความตั้งอยู่ได้บนพื้นดิน เพราะเหตุไรท่อนไม้เป็นต้นเหล่านั <section> long, ้นน <may S 2> <is there. S 1> ั่นแหละจึงตั้งอยู่ในกลางหาวมีได้ก็เพราะเหตุที่ทําให้ท่อนไม้ก้อนดินไม้ตะบองไม้ค้อนเหล่านั้นนั่นแหละตั้งอยู่ในอากาศได้หามีไม่ก็ถ้ามีอะไรอยู่ในอากาศแล้วเอาพวกเนี้ไปวางไว้ในอากาศอีกทีมันก็จะตั้งอยู่ได้แต่เนื่องจากไม่มีเหตุท่อนไม้ก้อนหินเป็นต้นจึงตั้งอยู่ในอากาศไม่ได้ขอถวายพระพร อุปมาฉั้นใดอุปไหยก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคล น, นั้นจะพึงมีการตรัสรู้รมได้เพราะอาศัยเหตุใดเขาขาดเหตุนั้นไปเพราะไม่มีเหตุเขาจึงไม่มีการตรัสรู้รมคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีอุปนิสัยอันใดอันหนึ่งที่จะทําให้ตรัสรู้ทมเพราะเป็นผู้ที่เป็นประชิกพ่ายแพ้ไปแล้วนะอันนี้สําหรับพูดถึงพระเจ้ามิลินถามถึงประชิกของคารวาสนะ แต่ถ้าเป็นประราชิกของพระพิสุทั้งหลายเนี่ยนะของพระพิสุทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเป็นประราชิกถ้ายังปฏิญาณตนว่าเป็นนักบวชอยู่ตราบใดก็จะไม่มีวาสนาไม่มีอุปนิสัยที่จะทําให้บรรลุมรรคผลได้ถึงจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะเพราะว่าปัจจัยที่จะทําให้ตรัสรู้ถูกตัดขาดไปแล้ว ทีนี้ถามว่าถ้าท่านจะเพียรพยายามปฏิบัติเพียรยังไงก็ตรัสรู้ไม่ได้เพราะสิ้นเหตุเว้นไว้แต่ท่านเนี่ยลาศึกษาลาเพศไปเป็นสัมมเนจร น, นะถ้าเป็นท่าอย่างพระที่เป็นปราชิกแล้วก็ปฏิญาณลดตัวเองไปเป็นสมมเนเนี่ยนะก็ตรัสรู้ได้สมัยพุทธกาลก็มี60รูปอนะที่พระองค์ตรัสอักคิขันฑูปะมะสูตรพอเป็นปราชิกแล้วท่านก็ไปบวชเป็นสัมมเนจเรียกว่าลดตัวเองไปเป็นสมมเนจปฏิบัติธรรมก็ได้เป็นพระอนาคามี หรือถ้าหากว่าพระพิสูจ์ทั้งหลายยังเป็นอบัตติดตัวอยู่ก็ไม่สามารถตรัสรู้รมได้ทีนี้สําหรับปัญหาตรงนี้ที่พระเจ้ามิลินถามนี่ปัญหาเป็นประราชีกของกลุ่มคารวาททั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีมีบุรุษโทษอยู่ในตัวไม่มีข้อมูลเลยว่าตัวเองเนี่ยบรรลุมรคผลไม่ได้แต่ปรารถนาที่จะบรรลุมรคผลพระนาคเซนก็บอกว่าบรรลุไม่ได้หรอกเพราะเหตุที่จะทําให้ บรรลุมรคลถูกตัดขาดไปแล้วเนี่ยน ะ, ะประราชีพของคราหัตก็คืออะไรอย่างที่กล่าวทบทวนว่าคือพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหารรมเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อหรือว่าพวกกลุ่มที่คมคืนนามพิสุณีนะนนนเนี่ยนะผู้ที่คมคืนนามพิษุณีพวกนี้บรรลุไม่ได้หรือเป็นพวกเดรชาเนี่ยนะพวกเดรชานพวกคนสองเพศพวกบันดกพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะ บรรลุทําได้รู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามตรัสรู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ทีนี้อา้าวยอมรับว่าไม่มีเหตุที่ทำให้ตรัสรู้ที่จริงการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะ เ, เมื่อไม่มีเครื่องกลางกาันก็เกิดการตรัสรู้ทํามได้แต่นี้นะซึ่งพระเจ้ามิลินเนี่ยไม่เล้วใจว่างั้นเถอะยังคาใจอยู่ว่างั้นก็เลยถามว่าพระคุณเจ้า ขอให้ท่านจงคิดอดถาธิบายข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเถิดข้อที่ว่าเมื่อไม่รู้อยู่ก็ไม่มีกุกุจจ์เมื่อไม่มีกุกุจจ์ ก, ก็ไม่มีสิ่งขัดขวางดังนี้นั้นะข้าพเจ้ายังไม่มีความเข้าใจขอท่านทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยเหตุผลเถอะคื อ, อยังไงนะถ้าคนแบบอะไรนะถ้าวิปปัิสารใช่ไหมเอามวัวแต่วิปปัิสารใจโมแต่กินแหนงแคลงใจตัวเองอยู่ไอ้ไม่บรรลุถ้าอย่างนงี้เราเชื่อ ใช่ไหมพม่อโมแต่วิปัสสานมัวแต่นิวรุ่มรุ ม, มอุทจักกุกุจักเล่นงานมากจะไปเจริญสมถาวิปัสสนามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมัวแต่ฟุง้งซ่านมัวแต่ลำบากใจมัวแต่กินแหนงแขลงใจแต่นี้เขาไม่กินแหนงแขลงใจเลยเขามีความสุขดีะแล้วเขาก็ตั้งอกตั้งใจอย่างเต็มที่ทําไมเขาบรรลุไม่ได้สงสัยอะนะช่วยอธิบายให้มันพอเข้าใจหน่อยเถอะว่างั้น ขอถวายพระพรยาพิษชนิดแรงกล้าเนี่ยนะที่บุคคลไม่รู้กินเข้าไปเนี่ยฆ่าชีวิตได้หรือไม่ น, นะไม่รู้เลยนะว่าเป็นยาพิษดื่มกรามมอกโซนไปตั้งสองเกลอนยังไงนะรู้ไหมว่าแ่ราวยาพิษจะทำอันตรายได้ไหมใช่ยอมฆ่าชีวิตพระคุณเจ้าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันบาปที่บุคคลแม้ไม่รู้กระทา ย่อมเป็นสิ่งที่ทําอันตรายต่อการตรัสรู้ได้เนี่ยนะพันความผิดพลาดนั้นเป็นเหตุให้ตรัสรู้ไม่ได้เนะเป็นเหตุให้ไม่เกิดการตรัสรู้พันความผิดพลาดเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผ้าหานั้นจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีโทษร้ายแรงและก็รุนแรงอย่างเช่นพระเจ้ า, าชาตศัตรูนี่ใช่ที่จริงพระเจ้ า, าชาตศัตรูฟังคำวันนั้นจะต้องได้เป็นพระโสดาบันแต่เนื่องจากว่าตัวเองปราบราเชกเรียบร้อยแล้วพ่ายแพ้แล้ว นะทำอนันตริยกรรมแล้วนะันะ่นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ป้ายแปลบรรลุไม่ได้เปรียบเหมือนว่าดื่มยาพิษตายจากมรคลเสร็แล้วเฉพาะชาตินี้นะแต่อนาคตตั้งก็ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระนาคเษนก็เลยตอบว่าเหมือนยาพิษเนี่ยนะดื่มไปแล้วเนี่ยรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าดื่มปริมาณที่ทําให้ตายได้มันก็ตายนะถึงว่ารู้ว่าดื่มยาพิษหรือไม่รู้ก็ตามอุปมาที่สองขอถวายพระพรอันหนึง อสอรพิษกัดผู้ที่ไม่รู้ย่อมฆ่าชีวิตได้หรื อ, อย่อมฆ่าชีวิตได้ใช่หรือไม่สมมติว่าอยู่ๆแล้วอยู่ๆ อ, อสอรพิษงูเห่าเนี่ยนะงูเห่าแบบชนิดร้ายแรงเนี่ยหรืองูจงอางเนี่ยมากัดแล้วก็ไม่รู้ตัวว่างูกัดนึกว่า อ, อย่างอื่นกัดเนี่ยนะนึกว่าเหยียบกะลานึกว่าอะไรเป็นต้นก็ไม่มีการรักษาเนี่ยเข้าห้องนอนไปเลยอย่างไงนะตายหรือไม่ตายใช่เขอบอกย่อมสามารถที่จะฆ่าชีวิตได้พระคุณเจ้า เรีว่ามีงูอันึงเรียกงูแมวเสาวไอ้งูแมวเสาเนี่ยตามคําบอกเล่าเขาบอกว่ากัดแล้วง่วงถ้างูชนิดนี้กัดแล้วก็ง่วงเาลออยากจะนอนนอนแล้วก็ยาวเลยเลยเรียกงูแมวสาวนะเวลามันขู่มันขู่เหมือนงูจงอางเหมือนงูเห่าเนี่ยนะไอ้เอ๊มันขู่เนี่ยเหมือนหูจริงจังมากแต่ตัวมันจะคล้ายๆงูเหลือมแต่็นตัวสั้นเรียกงูแมวเสาวกัดแล้วก็ง่วงหลับไปเลยหลับยาวเลยนะนะ มันก็บอกว่ารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าหากว่ากัดถูกจุดในพิษในปริมาณที่เพียงพอก็ตายได้อะนะฉันใดอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนการบาปที่บุคคลแม้ไม่รู้กระทําย่อมเป็นสิ่งที่ทําอันตรายต่อการตรัสรู้ได้อะนะทำอันตรายต่อการตรัสรู้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายคำว่าปฏิเสธว่าคนที่ผิดพลาดแล้วอย่าประพฤติดีปฏิบัติชอบ ให้ขวนขวายน้อยเป็นต้นไม่ได้พูดอย่างนี้แต่วัตถุประสงค์บอกไม่ได้บรรลุชาตินี้ก็จริงแต่การประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เกิดการตรัสรู้ต่ อ, ต, อต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ถึงว่าผิดพลาดผิดพลาดไปแล้วอะไรไปแล้วก็ก็ทําไงได้เพราะมันผิดไปแล้วอ่ะถพระชาติพระพระเจ้าชาติศัร ต, ตรูท่านคิดว่าท่านผิดแล้วเนี่ยนะท่านไม่ไม่ขอเอาดีทั้งนั้นแหละ อะไรจะเกิดขึ้นสําหรับท่านเพราะฉะนั้นท่านก็ตกนรกถาวรเลยแต่นี่ไม่เนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทตอนหลังก็ยากที่ปุตุชนคนเหลา่าใดจะเจริญกุศลได้เสมอเหมือนหรือพระเจ้าอาโศกเนี่ยประวัติท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีมาจากไหนนะเป็นนักฆ่าสิทธิทิศเลยว่า้นเถอะเป็นนักฆ่าชนิดที่เรียกว่าโหแผ่นดินเนี่ยนองเต็มไปด้วยกีบเลือดเใครว่าม้าเหยียบไปตรงไหนเนี่เลือดชุ่มหมดเลยเนี่ยนะฆ่าขนาดนั้นอะ สังฆ่าไปขนาดนั้นแต่ว่าพระเจ้าพระเจ้าทรงเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีอุปการะต่อพระาศาสนามากนะเรเลยเรียกว่าเป็นพระเจ้าธรร ม, มโศกตอนหลังท่านก็ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยนะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็เผยแพร่พระาศาสนาเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความผิดพลาดแต่ท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านจำนน่ะนะก็เอาผิดก็ผิดไปแล้วไปทําอะไรได้มันก็มีแต่ว่าทําใหม่สิ่งที่ทําใหม่นี่แหละเป็นตัวที่สําคัญที่สุดสําคัญที่ว่าตอนนี้ทําอะไร ขณะเนี้ทําอะไรและต่อต่อไปอยากจะทําอะไรอดีตเหตุมันก็คืออดีตเหตุมันทําไปแล้วไปทําอะไรได้มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยนะยังไปล้างความโกรธที่โกรธเรมื่อเช้าไปล้างทํำยังไงเอาสมมติถ้าเราฆ่ายุงไปแล้วมันจะไปทําอะไรกับยุงที่มันตายไปแล้วสําคัญว่าถ้าจะรักษาศีลก็ต้องรักษาขณะนี้และรักษาต่อต่อไปถ้าจะเจริญกุศลก็ต้องเจริญขณะนี้แล้วก็จะเจริญต่อต่อไปไอ้ส่วนที่มันเป็นมาแล้วในอดีตไปทําอะไรมันได้ ชั้นใดก็ดีเนี่ยนะตรงนี้ก็บอกว่าชาตินี้ไม่ได้ตรัสรู้ก็จริงแต่ก็ยังเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยที่จะให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะการพูดอย่างนี้หมายความว่าต้องการป้องกันว่าอย่าไปทําผิดอย่าไปทําพลาดเพราะถ้าทําผิดทําพลาดโอกาสที่จะได้ตรัสรู้ก็ไม่มีในชาตินี้เนี่ยนะเขาบอกว่าสิ่งถึงไม่รู้ก็เป็นอันตรายได้เนี่ยนะ ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเขาบอกขอถวายพระพรพระเจ้ากาลิงฆะผู้มาจากสกุลสมณะผู้เกลื่อนกลนไปด้วยแก้วเจ็ดประการก็รแปล ว, ว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองหนึ่งเนี่ยนะเสด็จขึ้นช้างแก้วไปเยี่ยมสกุลแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงรู้อยู่ก็ไม่อาจจะเหาะเสด็จข้ามเหนือแดนตรัสรู้ได้ น, นะตรงที่ตรัสรู้เนี่ยเหาะข้ามไม่ได้ น, นะพระเจ้าจากักรพรรดิองค์นั้นเนี่ยเหาะข้ามไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลที่ยกตัวอย่างนี้นี่ว่า บาปที่บุคคลทำแม้ไม่รู้กระทำก็ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการตรัสรู้เนี่ยนะพะันธใครที่มีจิตใจหวังการเจริญกุศลต้องการตรัสรู้อย่างเต็มที่เลยเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องระวังความผิดพลาดเพราะถ้าพลาดแล้วก็อะไรนะแม้ต้องการจะไปประกวดนางงามมากเลยไปเดินเลื่อนซะเย็บ ห้าสิบเข็มที่หน้าอย่างเงี้ยนะถามว่าใครจะเอาเป็นนางงามอะไรอย่างเง้นะเขาไม่ให้เป็นแล้วขนาดนั้นนะนะนี่ก็เหมือนกันถ้าปรารถนาตรัสรู้ก็ต้องระวังกายวาจาและก็ใจเนี่ยนะเพรา ะ, ะตัวที่ขวางบรรลุมรรคผลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่แหละการกระทำที่ผิดพลาดคำพูดที่ผิดพลาดความนึกคิดทั้งหลายที่ผิดพลาดเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายต่อการ มันลุมรรคผลพันบาปเนี่ยไม่ทำเนี่ยมันดีที่สุดว่า ง, งั้นเถอะทำยังไงที่ให้อยากให้มันเปื้อนบาปมันดีที่สุดเอาเปื้อนไปแล้วอะทําไงเอาเงเปื้อนไปแล้วอะทำยังไงสําคัญว่าไอ้ที่กำลังทําอยู่และที่จะทําต่ อ, ต, อต่อไปมีความตั้งใจแล้วก็มีความจริงใจที่จะเจริญกุศลขนาดไหนถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจไม่มีความจริงใจที่จะเจริญกุศลประวัติศาสตร์มันก็ซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็แพ้แล้วแพ้อีกนะก็เรียกว่าประราชิกตลอดไปว่างั้นเถอะ ก็ไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามได้ส่วนรายละเอียดประาชิกในอัตตกถาก็ดูเอาแล้วกัน